ถูกต้องดีแล้วพระนาคเสณปัญหาที่สิบสี่ถามลักษณะปัญญาข้าแต่พระนาคเสณปัญญามีลักษณะอย่างไรมหาราชะปัญญามีการตัดเป็นลักษณะตามที่อัตมภาพได้ถวายวิสัชนาไว้แล้วอกปการหนึ่งปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะ